ระพินไครวันไม่พูดอะไรอีกเลยขีดไลเตอร์จุดบุรีอัดควันลึกระบายออกทางช่องจมูกช้าๆแล้วสอดมือล้วงเข้าไปในเสื้อเดินป่าด้านในของเขาสิ่งที่ทุกคนมองเห็นก็คือไท้ยเล็กๆดำเกือบจะเป็นผ้าขี้ริว้วแต่ถักด้วยเส้นเชือกที่เหนียวแน่นทนทานยิ่งซึ่งดารินจำได้ดีว่าในไท้ยขนาดเท่าซองบุรีนั้น ในพรานของหล่อนมักจะเนบกลับติดอยู่กับเสื้อในด้านซ้ายซ่อนไว้กับตัวเป็นประจำและหล่อนก็รู้ดีว่าในไท้ยใบนั้นจะเป็นที่เก็บเครื่องรางของขลังของเขาทุกชนิดตั้งแต่เศษงาช้างกําจัดเขี่ยวหมูตันหนังหน้าผากเสือไข่นกเป็นหินขึ้นไปจนกระทั่งพระเครื่องรางและไหวยเศษไหวยลากลูกนิมิต ของอาถรรพ์ต่างๆเพราะตามปกติแล้วระพินจะไม่นิยมนําเอาเครื่องรางของขลังประจําตัวห้อยคอแขวนไว้แต่จะบรรจุลงในท้ายเน็บกลัดเสื้อที่ใส่ในแต่ละครั้งเมื่อควักออกมาได้แล้วก็ขยายปากท้ายที่ทําเป็นหูรูดออกด้วยอาการเรียบๆเป็นปกติเอานิ้วสองนิ้วยแย่ลงไปในปากท้ายใบนั้น อึดใจเดียวก็คีปอวัตถุสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นถูกพันหุ้มมิดชิดจนมองไม่เห็นว่าภายในคืออะไรด้วยเชือกสายสิ่งลักษณะของมันเป็นแผ่นแบนกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วครึ่งท่ามกลางทุกสายตาที่จับจ้องเขมงอยู่ขณะ น, นี้พลานใหญ่ใช้นิ้วที่ขีบขึ้นมานั้นค่อยๆบันจง ย่อนสิ่งนั้นลงไปบนฝ่ามือที่กาลังแบรรอคอยอยู่ก่อนแล้วของแง่าสายสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎนครในคราบของแง่าสายดวงตาเป็นประกายยิ้มที่มีอาการเหมือนจะแยกเขี้ยวตลอดเวลานั้นสยายกว้างออกไปอีกดอกขึ้นลงในมือช้าๆอยู่สองสามครั้งเหมือนจะหยัง่งหาน้ำหนัก และวล้วงมือข้างหนึ่งลงไปในย่ามหยิบมีดแล่เนื้อขนาดเล็กเล่มหนึ่งขึ้นมาค่อยๆบัรจงตัดเชือกสายสินที่มัดพันไว้โดยตลอดของวัตถุนั้นขาดออกทีละเส้นทีละเส้นพลางแก้ออกมาดูช้าๆดวงตราราชวงศ์สุริยเทพเป็นแผ่นทองคำเหลืองอรารามประทับนูนเป็นรูปดวงอาทิตย์ กำลังเปล่งรังสีเส้นแฉกออกไปรอบด้านกระทบแสงอาจจะกลับชวาราที่ส่องสว่างอยู่รอบด้านภายในห้องนั้นสองประกายวาวามเลื่อมระยับเงยสายชูดวงตาประจำตัวดวงนั้นขึ้นสูงเพื่อเห็นกันตลอดทั้งห้องเชษฐาชยยันและอนุชาครางกันกระหึมในลำคอ ส่วนดารินวราริตหลับตาลงเอามือทั้งสองกลุมไว้ที่ซวงอกพร้อมกับสูดลมหายใจลึกอย่างไปติดปราปรื่มใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปได้ทุกท่านคงจะได้ประจักษ์กับตาณบัตรนี้แล้วนะครับว่า น, นี้คือสัจจะและความจริงใจจากพรานที่มีนามว่ารพินไทรวัน เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็คือเขาและโดยสัจจะชนิดนี้แหละครับที่ทำให้เขาดำรงความยิ่งใหญ่มาได้จนกระทั่งทุกวันนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จผลลงได้เขาผู้นี้อาจจะเป็นมนุษยชาติเพียงคนเดียวที่แม้แต่พญามัจจุราชก็ยังประทานความเอ็นดูและเอื้ออาทรให้แก่ชีวิตของเขา เพราะสัจวาจาและความจริงใจที่เขามีให้แก่เพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมจักรวาลทุกตัวตนโดยไม่เลือกหน้าจักราธิราชเจ้าในคราบของแงซสายประกาศกล้องไปทั่วห้องนั้นพรางก็น้อมกายในท่าที่ยังขัดสมาดอยู่กับพื้นนั้นก้มศีรษะลงไปจนแทบจะหดพื้นเบื้องหน้าของระพิน เป็นการแสดงความคาระวะอย่างสูงสุดรัพินยังนั่งเงียบสงบด้วยสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติระหว่างนี้ดารินแทบจะโผก็มาจูบเขาให้เต็มรักแต่ก็ติดขัดอยู่ที่ต่อหน้าบุคคลหลายคนได้แต่ทอดประกายตาแจม่มเปี่ยะมล้นมาด้วยความรักส่วนชัยยันชูหัวแม่มือให้รัพินพลางหัวร่อราออกมา ร้องทักไปทางแง่ทรายว่าเป็นไงแง่ทรายระพิน์ไม่มีวันเสียท่านายได้หรอกนายจะงัดเขายังไงก็ไม่มีวันงัดได้ลงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วใช่ไหมจริงครับนายทหารชัยยันจริงๆเลยครับไม่มีวันหรอกที่ผู้กองระพินจะพลาดท่าเสียทีให้แกเล่เหลี่ยมเพทุบายใดๆของแง่ทราย เขาผู้เปรียบเสมือนพี่ชายร่วมสายโลหิตของแงซรายย่อมเหนือกว่าแงซายในทุกประการมาโดยตลอดนอกเหนือจากพ่อลุงหนานอินแล้วถ้าปราศ จ, จากเขาก็จะไม่มีจักราธิราชในวันนี้ครับนี่แง่ทายฉันก็เป็นแต่เพียงคนตรงไปตรงมาคนหนึ่งเท่านั้นแหละรบพินเอ่ยขึ้นเบาๆ ไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นกับอาการชื่นชมสรรเสริญของแง่ายตลอดจนหมู่คณะที่มีมายังเขาในขณะ น, นี้ความจริงฉันไม่ได้มีอะไรเหนือแกเลยสักอย่างนะบุญญาบารมีก็เทียบไม่ได้สักเศทุลีของแกก็ขอขอบใจและรู้สึกซาบซึ้งที่แม้จะยิ่งใหญ่พร้อมไปด้วยบุญญาธิการเหนือคนทั่วไปแล้วก็ยังไมลืมมิรเก่า และยังพร้อมไปด้วยกระตันยูกระตะเวทิตาอันเป็นมงคลประเสริฐแห่งชีวิตสำหรับดวงตาประจำองค์จักรราศน่ะฉันก็เก็บติดตัวฉันอยู่เสมอตามข้อสัญญาที่ได้รับปากไว้และเพื่อเอาไว้ดูต่างหน้าไอคนที่ฉันรักเหมือนน้องชายซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะได้หวนกลับมาพบเห็นกันอีกแต่ที่ต้องเอาได้พันไม่มิชิดอย่างนี้ก็เพื่อป้องกันแม่ใครเห็น ไม่ใครสนใจเพราะเป็นสิ่งที่มีค่ามากและเดี๋ยวนี้เมื่อมาพบหน้ากันอีกครั้งและแกก็ได้ทวงถามขึ้นฉันก็ขอคืนให้แ ก, แกไปเพราะมันเป็นตราประจำตัวมาแต่กําเนิดเพื่อแกะจะได้เตรียมไว้มอบให้แกรัชทายาทของแกต่อไปในอนาคตไอ้อยู่ที่ฉันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะถ้าจะเป็นเครื่องหมายเตือนระลึกฉันก็ระลึกถึงแกอยู่ในหัวใจตลอดเวลาแล้ว ไม่มีวันที่จะลบเลือนไปได้เลยตลอดทั้งชีวิตนี้แง่สายยิ้ยื่นส่งตราสุริยเทพดวงนั้นกลับไปให้ระพินตามเดิมพร้อมกับกําชับว่าผู้กองครับผมแค่เรียกดูครับไม่ใช่เพื่อจะขอคืนแต่แค่จะขออย่างน้ำใจว่าผู้กอง น, นรักผมจริงแค่ไหน และมีดวงตาประจำตัวของผมติดตัวไว้ตลอดเวลาเหมือนที่สัญญาที่ให้ไว้หรือไม่ซึ่ง บ, บัดนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าผู้กอง น, นรักผมจริงปฏิบัติตามข้อสัญญาทุกอย่างทำให้ผมรู้สึกปลื้มปิติยินดีจนบอกไม่ถูกแล้วก็ขอมอบให้ผู้กองเก็บไว้ใกล้ชิดตัวตลอดไปสำหรับดวงตาประจาอ ง, งค์ของยุพราชหรือรัชทายาทแห่งมรกรนครน่ะ หากว่าจะมีต่อไปในอนาคตข้างหน้าผมจะสร้างขึ้นมาใหม่ยังไงก็ย่อมได้ครับในฐานะที่ผมคือเจ้าแห่งแผ่นดินนี้ผมอาจจะทําให้มันผิดแปลกไปกว่าที่เคยใช้มาตลอดแล้วก็ได้เป็นต้นว่าหน้านึงเป็นดวงตราสุริยเทพเหมือนเดิมส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นดวงตราที่มีรูปหน้าของผู้กองและดวงหน้าของผมอยู่เคียงข้างกันด้วยอย่างน้อยก็อาจจะเป็นอักขระ ในภาษาของเผ่าพันธุ์ผมอ่านได้ความว่าแงซายรพินก็ได้ครับเพื่อจะให้ลูกหลานเห้นต่อไปข้างหน้าของผมได้ตระหนักระลึกไว้ว่าแผ่นดินมรกรกนครถูกกู้กลับคืนมาเป็นของราชวงศ์เทพได้อีกครั้งก็โดยการร่วมมือช่วยเหลือของวีรบุรุษจากโลกภายนอกคนหนึ่งที่มีนามว่ารพินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้นโปรดรับไปไว้ตามเดิมนะครับผมขอดูเพียงแค่เพื่อพิสูจน์ผู้กองไม่ได้ขอคืนขอให้ผู้กองเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของสกุลไพรวันตลอดไปเพราะต่อไปในอนาคตเบื้องหน้านะ่ะเป็นสิ่งไม่แน่ลูกหลานหรือเหลนของผู้กองอาจจะผ่านมาถึงมรกรนครที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งก็ได้พร้อมกระดวงตราดวงนั้นซึ่งแผ่นดินมรกรนคร ย่อมจะยินดีต้อนรับเสมอด้วยญาติสนิทไม่ว่าวันเวลานั้นทั้งผมและผู้กองจะหาชีวิตไหมแล้วก็ตามครับระหว่างที่รพินอ้ำอึ้งลังเลอยู่หันไปทางเชษฐาชัยยันและอนุชาซึ่งทั้งสามเจ้านายเก่าพยักหน้ายิ้มยิ้มลงนิดหนึ่งเป็นสัญญาณให้เขารับไว้ และเมื่อเห็นเขายังล่าชาอยู่ดารินก็เอื้อมมือมารับแทนพร้อมก็ บ, บอกว่าเอามานี่แงซายฉันเก็บไว้เองถ้าเขายังลังเลอยู่นะเพราะต่อไปนี้ฉันกระพินก็จะเป็นคนคนเดียวกันลนะลูกหลานเหลนของเขาก็คือลูกหลานเหลนของฉันนี่แหละเอาไว้ที่เขานักก็อาจจะสูญหายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเวลาเขาไม่สบายอยู่กลางป่ามักจะมีหมอผู้หญิงที่ไม่ใช่ฉัน หรือคนตัวเขาดูอยู่เสมอถ้าหยิบถวยไปเสียก็ศูนย์นี่โชคดีเท่าไรที่เขาเอาเติดตัวมาด้วยแต่ซ่อนใช้อย่างมิดชิดในท่ายดําเป็นผ้าคีริ้วนี่ถ้าห้อยคอไว้ป่านนี้อาจหายไปแล้วก็ได้ฉันไม่ได้เก็บไว้เพื่อเป็นสมบัติของตัวเองหรอกไม่ต้องกังวลแต่จะเก็บไว้แก่เขาให้ลูกเขานั่นแหละเงซ า, ายหัวรอเสียงดังในคาพูดเปิดเผยของดารินส่วนเชษฐา ชยันและอนุชาอันเป็นพวกพี่ชายทั้งหลายก็พรอยยิ้มพรายไปด้วยตรงข้ามกระพินซึ่งขณะนี้วางหน้าไม่ถูกเต็ไมไปด้วยความกระดากและกลิ่งเกรงเพราะแม่ดอกฟ้าดารินของเขาเล่นพูดตรงๆต่อหน้าบรรดาพวกพี่ๆทั้งหลายโดยไม่คิดจะปิดบังเป็นความลับยังไงผมอยากให้ผู้กองรับไปด้วยมือเองก่อนครับ แล้วก็ต่อหน้าท่านทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่หน้าที่นี้ขอให้ผู้กองยื่นส่งต่อให้กันายหญิงเพื่อให้นายหญิงช่วยเก็บรักษาไว้ต่อไปสิ่งนี้มันอาจจะไม่มีราคามากมายนักแต่ก็มีค่าสูงสุดสําหรับราชวงศ์เทพซึ่งผมเคยถอดออกจากตัวมอบให้แก่ บ, บุคคลที่ผมรักเคารพที่สุดไปเพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะทรงคุณค่าเหนือไปกว่าสภาพอันเป็นมิตรแท้ไปได้ ผู้กองคือมิตรแทร้ของผมครับอะตลกลงฉันยินดีรับมอบ ด, ดวงตราประจำตัวแกไว้อีกครั้งระพินตัดสินใจแบมือออกรับตราสุริยเทพไว้กําแน่นแล้วยื่นต่อไปให้แกดารินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นชัดเจนที่สุดคุณหญิงครับโปรดรับไปเก็บรักษาไว้ด้วยเถอะครับในดวงตราดวงนี้เนี่ย มีหัวใจของระพินและงแง่ทายผนึกรวมกันอยู่เป็นดวงเดียวกันครับด้วยความยินดีและด้วยความสุขที่จะรับไว้จ้ะดารินพูดชัดแจ๋วสอนกําดวงตรานั้นไว้พร้อมกับกํามือระพินแน่นยังไม่ยอมปล่อยฝ่ามือทั้งสองจิงจับกันค้างอยู่เบื้องหน้าของพี่ชายทั้งสามคนเช่นนั้นราชสะกุลสาวหันไปมองดูทั้งสามชาย เหมือนจะเป็นความหมายอะไรสักอย่างหนึง่งโดยไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นวาจาเมื่อนั้นเฉษฐาจึงเอื้อมมือมากุมทับซ้อนลงไปเป็นมือที่สามโดยกรรมมือของรพินและดารินเข้าไว้ด้วยกันบีบแน่นอนุชาเอื้อมมือมากุมไว้อีกคนหนึง่งต่อมาก็เป็นชัยยันซึ่งมันเป็นรหัสความในอยู่ในทีว่าบัดนี้ทั้งสามคน ยอมรับรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างระพินและดารินแล้วอย่างเต็งใจที่สุดมือสุดท้ายที่ร่วมยื่นมาเกาะกลุมอยู่ด้วยคือมือของแง่สายหรือพระเจ้ากรุงมรกฎนครครั้นแล้วเชทฐาอันเป็นพี่ชายใหญ่ที่สุดก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวานแช่มช้าว่า ระพินน้อยเธอทั้งสองคนจงรับรู้ไว้ณบัดนี้เถิดว่าพวกเราพี่ๆทุกคนไม่มีความรังเกียจขัดข้องใดๆทั้งสิน้นและเราเห็นใจในความรักเด็ดเดียวแน่นแฟนระหว่างเธอทั้งสองพวกเรารู้สึกยินดีและมีความสุขด้วย ตอไปนี้ขอให้พลเคราะห์ผลโศกและอย่าได้พราดพลากจากกันอีกเลยขอให้มีความรักที่มั่นคงต่อกันตลอดไปชั่วนิรันดร์การเราจะไม่มีพิธีอะไรกันมากขอให้ที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เป็นการวิวาระว่างดารินและระพินซะเลยไม่ต้องรอถือเริกถือโอกาสที่ไหนอีกแล้ว ส่วนจะไปจัดพิธีอะไรกันอย่างใดภายหลังมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเฉพาะพระพักของพระเจ้ากรุงมรกฎนครผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงทั้งหมดก็ได้มาอยู่ณที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่กลางหรือชั ย, ยันตลอดจนน้องชายผู้ต้องไม่ต้องกรีดเลือดสาบานอย่างแง้ทรายขอประกาศเดี๋ยวนี้ว่าระพินไพยวันคือสามี ดารินวราริตคือพัญญาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประพินไพรวันปะลึงพึงเพื่อต่อจากนั้นเป็นระยะที่ค่อนข้างจะสับสนที่เขาจำความไม่ได้นักว่าอะไรเป็นอะไรระพินรู้สึกแต่เพียงว่าดารินได้จูบแก้มทั้งซ้ายและขวาของเขาโดยแรงเฉดทา อนุชาและชัยยันดึงเขาเข้าไปกอดแน่นกระชับคนละครั้งส่วนจะพูดว่ายังไงบ้างไม่ได้ยินแงาซายเองก็เข้ามากอดและจับมือเขาไว้แน่นบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายที่อยู่ภายในห้องนั้นเข้ามารายล้อมอยู่รอบกายเขาถ้าจะขาดก็ขาดเพียงพวกพรานลูกศิษย์สี่คนของเขาและพวกลูกหาบของฝ่ายนายจ้างใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้เท่านั้น เมื่อพอจะได้สติเลือนเลือนขึ้นมาบ้างจําได้ต่อไปว่าเขาได้ก้มลงกับพื้นกราบที่แทบเท้าของเชษฐาเป็นคนแรกอนุชาเป็นคนที่สองซึ่งดารินก็ลงมาหมอบกราบเคียงคู่อยู่กับเขาด้วยส่วนชายยันนั้นเมื่อคนทั้งคู่ทุดตัวลงอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็รีบก้มตัวลงมาชุดให้ยืนขึ้นก อ, อดรวบเข้าไว้ทั้งสองคนในอ้อมมือคนละข้างหัวเราะว่า เฮ้ยเฮยไม่ต้องไม่ต้องมากราบฉันสองคนที่ไปกราบนะถูกต้องแล้วเพราะเขาเป็นพี่ชายโดยตรงแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่เพียงสองคนที่ใกล้ชิดที่สุดไอ้ฉันน่ะมันแค่เพื่อนเท่านั้นดีใจเว้ยดีใจระพินพนมมือขึ้นไหว้ชัยยันส่วนดารินนั้นกราบชา ย, ยันที่อกแล้วจูบแก้มเพื่อนชายผู้เปรียบเสมือนพี่ชายคนหนึ่งโดยแรง บรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยการอวยชัยให้พรและแสดงความยินดีต่อบุคคลทั้งสองมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจูโจมกระทันหันโดยที่ทั้งรพินและดารินหาได้รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนเลยไม่และแม้ทางฝ่ายเชษฐถาอนุชาหรือชา ย, ยันก็หาได้มีการตราดเตรียมการใดไว้ก่อนทั้งสิน้นสาเหตุมันต่อเนื่องเกี่ยวโยงมาจากการที่แงซายได้ทวงถามถึงตราประจำตัวของเขา ที่ได้มอบให้แกรพินเพื่อให้นํามาแสดงให้ดูนั่นเองแง่าสายฤจักราชจะมีการเตรียมการอย่างใดไว้ก่อนหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครอาจจะยังทราบได้แต่บัดนี้ระหว่างที่คู่บ่าวสาวที่ทําพิธีแต่งงานกันอย่างประหลาดที่สุดในโลกกําลังยืนจุงมือกันมองดูหน้ากันเองด้วยหยาดน้ําตาที่คลอเบ้าเนื่องจากความปิติโสมนัสสูงสุดนั้น ทุกคนหันขวับไปทางเงาทายเป็นตาเดียวกลางห้องบุรุษโฉมงามในชุดชาวโดงผู้นั้นบัดนี้ยืนรำ ง, งานเต็มตัวเขายืนเด่นอยู่เยี่ยงจั ก, กราธิราชเจ้าหาใช่ยืนอย่างเงาทายไม่และได้ตบพระหัตถ์แรงๆขึ้นเป็นจังหวะช้าๆสามครั้งดังก้องไปทั่ว สิ้นเสียงเหมือนจะเป็นดุดสัญญาณ น, นั้นก็ปรากฏเสียงแพรสายและเสียงฝีเท้าเคลื่อนเข้ามาชั่วพริบตาเดียวทุกคนก็จ้องตะลึงไปอีกครั้งริ้วขบวนน้อยๆมีจำนวนคนอยู่เพียงไม่เกินยี่สิบคนได้ปรากฏตัวเข้ามาทางประตูห้องโถงแห่งนี้ดั่งจะรอคอยพร้อมอยู่ก่อนแล้ว นำหน้าขบวนเข้ามาคือราชินีเมญานีในชุดแพรพันยาระพื้นสีชมพูสลับแดงเข้มงามสง่าเป็นยิ่งนักติดตามถัดไปคือสาวสันกำนันในที่อัญเชิญถาทองประดับอัญมณีหลากสีสันส่งประกายว่าบุบเนื้อถัดนั้นมีอะไรชนิดหนึ่งประดิษฐานอยู่และเห็นชั่วแวบผาดผาา คล้ายช่อดอกไม้ที่กิ่งใบและช่อดอกพันกันอยู่และตามมาเป็นแถวเรียงสองเข้ามานั้นก็ล้วนสาวสครานในอาพรสวยสดงดงามทั้งสิ้นทั้งชุดเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเงียบๆโดยเฉพาะที่พระพักของพระราชินีเมยานีพริม์ไปด้วยรอยยิ้มเมื่อเสด็จนำขบวนเข้ามาถึงเบื้องพระพักของจั ก, กรราช ซึ่งอยู่ในชุดของแง่ทรายก็ย่อพระวรากายลงถวายเคารพแล้วเบี่ยงพระองค์ให้เห็นถาดทองที่มีสองสาวช่วยกันประคองเข้ามาระหว่างที่ทุกคนตะลึงจ้องจักรราชก็พายพระหัตไปยังถาดนั้นเหมือนจะเชิญชวนให้ทุกคนพิจารณาไปที่สิ่งนั้นพระสุรเสียงก็เปลี่ยนสภาพจากแง่ทรายไปในทันที ระราชนีของข้าได้เป็นผู้เชิญสิง่งอันเป็นมงคลที่สุดนี้เข้ามาในวาระที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพื่อให้ข้าเป็นผู้มอบให้แก่เจ้าบาวและเพื่อให้เจ้าบาวเป็นผู้บัรจงสวมให้แก่เจ้าสาวผู้สมคุณค่าอันหาที่เปรียบมิได้ของเขาในวาระแห่งคืนสยุมพรที่กระทํากันอย่างเงียบเงียบ เป็นการภายในเฉพาะเรากันเองในคืนนี้ขอคู่บ่าวสาวและทุกท่านในที่นี้จงท่อทัศนาเสียว่าสิ่งนี้คืออะไรแม้จะด้ยราคาแต่ก็มีค่าสูงสุดสำหรับบ่าวสาวคู่นี้โดยเฉพาะซึ่งเขาทั้งคู่ย่อมจะรู้ความในกันเองทุกคนจ้อง แล้วขมวดคิ้วด้วยควา ม, ม ง, งุนงงสำหรับระพินและดารินเมื่อต่างมองเห็นได้ทันัดก็ลืมตาโพลงใบหน้าของคนทั้งคู่แดงปลังไปด้วยเลือดแห่งความปิติปราบปาลืมระคนมหัศจันใจขีดสุดช่อปักษาสวรรค์อันมีกรีบแข็งสีแดงเข้มสลับเหลืองและเขียวอยู่ในตัวเอง ถูกนำมาร้อยประสานเกี่ยวพันกันเป็นรูปทรงเหมือนมาลัยสำหรับสวมสีรษะหรือมงกุฎประดับแซมไปด้วยพันดอกไม้ป่านาน า, นานชนิดอย่างงดงามวางเด่นอยู่บนถาทองคํานั้นมันเป็นมาลลยดอกไม้ป่าที่รพินและดารินเคยนำมาร้อยพันจัดแต่งให้เป็นรูปมงกุฎไพรในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างเดินกระเซาะกระเซิง อยู่ในป่าใหญ่ไพรกว้างฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งติดตามค้นหาโดยไม่รู้ทิศทางซึ่งกันและกันมีแต่ความทวิญหาอาวรนซึ่งกันและกันความเจ็บปวดรันทดว้าเหว่สิ้นหวังและลึกลงไปในความขมขื่นตรอมตรมเหล่านี้ก็คือความรักความผูกพันที่มีต่อกันอย่างเปี่ยมล้น จนสุดที่จะพัฒ น, นาได้มงกุฎดอกไม้เชฐาอนุชาและช ย, ยันอุทานออกมาพร้อมกันพระเจ้ากรุงมรกรณครสวนเบาๆทุ้มลึกและรับสั่งขึ้นกล้องไปตั้งห้องว่าใช่แล้วมงกุฎดอกไม้มงกุฎไพร โดยเฉพาะคู่บ่าวสาวคงจะจำได้ดีว่าทั้งคู่เคยได้เอาดอกไม้ป่าชนิดนี้มาเกี่ยวร้อยเป็นสร้อยมาลาไว้อย่างไรและอธิษฐานไว้เช่นไรโดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้กันเลยในระหว่างที่ต่างสมซานด้วยพิษรักกลางป่าโดยเฉพาะเจ้าบ่าวหรือผู้กองระพินได้เคยนาเอาช่อปักษาสวรรค์ น, นี้มาทาเป็นมงกุฎ และได้สวมประดับไว้บนยอดหินยอดหนึ่งก่อนจะเป็นลมหมดสติไปโดยสมมุติหินก้อนนั้นให้เป็นดารินวาราริตมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสมเจตนารม์ครบสิ้นแล้วเจ้าสาวของท่านยืนอยู่ที่นี่เข้าสู่พิธีวิวากับท่านและนั่นก็คือมองกุฎไพรที่ท่านเคยร่ำร้องปราถนา ที่จะให้เป็นรางวัลแก่เจ้าสาวของท่านในยามยากไร้อยู่กลางภัยพฤึกฉะนั้นเว้นระยะเพียงชั่วครู่จักรราษเอื้อมพระหัตไปประคองมงปุดดอกไม้ป่าอันนั้นขึ้นมาจาับถาดทองคําแล้วส่งไปให้แกรพินรับสั่งต่อมาว่าจึงขอให้เป็นข้อวิเคราะห์ปฏิบัติของท่านเอง ว่าท่านควรจะประดิษฐานมงกุฎไพรของท่านวงนี้ไว้ที่ไหนอย่างไรเชิญครับผู้กองระพินด้วยดวงตาอันเบิกกว้างและด้วยมืออันสันระ ร, ริกระพินไพรวันเอื้อมือไปประคองรับมงกุฎดอกปักษาสวรรค์วงนั้นมาถือไว้ในมือดารินเองขนาดนี้ความตกใจ อัศจรรย์ใจแล้วดีใจต่อเหตุการณ์ทำให้หล่อนทั้งยกมือทั้งสองขึ้นมีอาการเหมือนจะป้องปิดไว้ที่ริมปากดวงตาเบิกโพรงจ้องตะลึงอยู่ยังสิ่งที่ระพินถืออยู่ในมือเช่นกันทำให้หล่อนจะจำมันไม่ได้มงกุฎ ด, ดอกไม้ป่าชนิดนี้ยามสุดเหงาเศร้าส้อยหล่อนเคยเอามันมาร้อยเล่น ยามหลับฝันก็ฝันว่ารพินเป็นผู้สวมมงกุฎชนิดนี้ให้แกหลอนบักนี้ความฝันกลายเป็นความจริงแล้วหรือประหลาดอะไรเช่นนี้รพินสูดลมหายใจลึกก้าวเข้าไปหยุดยืนเบื้องหน้าของดารินยังอาดหารมั่นใจที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกริบลงอีกครั้ง ดารินค่อยๆย่อกายต่ำลงมือพนมอยู่กระวงอกระพินค่อยๆบัรจงสวมมงกุฎไพรวงนั้นลงเหนือสีสษะราวกับจะมีการกะวัดกันมาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันสวมได้อย่างกระชับพอดิบพอดีกับสีสษะของดาริน เสียงค้องชัยกระหึมดังแววมาจากเบื้องนอกซึ่งดูเหมือนจะไม่ห่างออกไปนักพร้อมกับแตรสังมโหระทึกที่แววบรรเลงแซ่สนันเข้ามารอบทิศทางไม่อาจจะบอกได้ว่าวางไว้ยังที่ใดจุดไหนบ้างพร้อมกันวงเหล่าบุภผาลดาชาติริ้วแพรพันและสายรุง ก็ร่วงพลูปโปรยปรายลงมาจากเพดานเบื้องบนขึ้นไปพร้อมกับกลิ่นสุคนหอมตระลบอบอวลไปหมดทั้งบริเวณห้องนั้นเหมือนคนที่ตกอยู่ในอาการห่วงฝันรพินและดารินจับมือกันแน่นแล้วหันไปทางพระเจ้ากรุงมรกรนครและพระราชินีซึ่งยืนย้มสวนเคียงคู่กันอยู่ ยักราชนินิ่ น, นิพระองค์ระพินเอ่ยขึ้นตะกุกตะกักถูกต้องถ้าได้จัดเตรียมพิธีวิวาไว้ให้แก่ท่านทั้งสองแล้วและต้องทำให้ได้ภายในคืนนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จังหวะเหมาะเจาะคล้องจองกันพอดีถ้าแม้ว่าจะเป็นเล่อูบาย ก็เป็นเลขอุบายที่จะให้พี่ชายกับพี่สาวของแง่ทรายได้เป็นคู่ครองกันอย่างแท้จริงสะทีเพราะได้รับความยินยอมเห็นชอบจากฝ่ายผู้ใหญ่ของพี่สาวแล้วคงไม่มีใครปฏิเสธอีกได้นาะการเวลาอันเป็นมหามงคลที่สุดในชีวิตของชายหญิงคู่หนึง่ง ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ได้เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าในวาระสุดท้ายต่างฝ่ายต่างจะได้มาพบกับสิ่งอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาของชีวิตสเสมือนเทพเจ้าจะประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่มาให้ภายหลังจากทรมานให้ทุกยากตกรกรรมลําบากมาอย่างแสนสาหัสแล้วหลายชาติหลายภพ ซึ่งในที่สุดก็ได้มาสมจินตนารมเอายังดินแดนอันเป็นจุดนัดพบระหว่างทิวาและราตรีคือแผ่นดินประหลาดในหุบเขาพระศิวะแห่งนี้เขาทั้งคู่บัดนี้ยืนประสานสายตากันนี่มือทั้งสองจับกันไว้แน่นไม่ยินยตนและมองไม่เห็นภาวะแวดล้อมรอบกายในขณะนี้ไปชั่วขณะหนึ่ง และที่สุดของที่สุดพี่ก็ได้ตัวเจ้ากลับคืนมาในอ้อมอกแล้วจิตรางขนาดภายหลังจากด้นดั้นตามติดมาทุกชาติทุกภพต่อแต่นี้ไปแม้แต่ความตายก็จะไม่มีวันทําให้เราพลัดพรากจากกันอีกแล้วฝ่ายหนึ่งพูดด้วยกระแสจิต เพคะอัคนีรุตนับแต่นี้เป็นต้นไปหม่อมฉันก็จะไม่ผละหนีจากพระองค์ไปอีกแล้ววิญญาณของเราทั้งคู่จะอยู่ใกล้สนิทแนบกันตลอดไปทุกชาติทุกภพเพคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบมาด้วยกระแสจิตเช่นกันเจ้าให้สัญญาไว้กับพี่แล้วนะ หม่อมฉันขอถวายสัญญาเพคะเจ้าอาภัยโทษให้แก่พี่แล้วใช่ไหมเจ้าพี่คะหม่อมฉันทรมานวิญญาณของตนเองและวิญญาณของพระองค์มานานแสนนานแล้วพระองค์ก็ได้ชดใช้กรรมนั้นหมดสิ้นแล้วความหลังในครั้งนั้นจะเหลือไว้เป็นอนุสร์เตือนความรักอันมั่นคงของเราทั้งคู่ หาใช้การที่จะคงเหลือไว้เพื่อความเครียดแค้นพยาบาทใดๆอีกแล้วไหมเพคะขอย้ำอีกครั้งนะจิตรางขาดพี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะปริดปรงพระชนชีพของพระราชวิดาของเจ้าเลยที่กระทําลงไปก็เพราะความเข้าใจผิดโดยแท้เพคะเจ้าพี่หม่อมฉันอย่างทราบดีแล้วตั้งแต่ในยุคนั้น หาไม่เช่นนั้นนสนทยาย่ำที่เราออกมาประจันหน้ากันหน้าประตูเมืองปัญจาละหอกในมือของหม่อมฉันก็คงจะเสียบตลอดพระอุระของพระองค์แล้วคงไม่ปล่อยละเอาไว้และตนเองกลับไปดื่มน้ำยาพิษฆ่าตัวเองหรอกเพคะจิตรางคนางขอถามสักนิดเถอะนะ ณสาเหตุการณ์ที่เร า, ผาเผชิญหน้าชะไหนเจ้าจึงไม่บอกให้พี่รู้สักนิดว่าเวลานั้นพระเจ้าอาชัยสุริยายึดอำนาจปฏิวัติกลางสืบแล้วและตัวเจ้าเองก็กำลังตกอยู่ในฐาน ะ, ฉะเฉลยเจ้าพี่เพคะหากหม่อมฉันบอกความจริงแก่พระองค์ไปในวาระนั้นพระองค์ก็คงจะต้องยึดตัวหม่อมฉันไว คงม่ยอมที่จะให้กลับเข้าไปสู่กองทัพสหาราชอาณาจักรอีกและหม่อมชั้นยามนั้นก็มีแต่ความแค้นพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะร่วมชีวิตด้วยจึงสู้บากหน้ากลับไปตายในกองทัพของพระเจ้าอาที่ทรยศหักหลังหม่อมชั้นซะดีกว่าจิตรางคนางในยุคนั้นไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วเพคะเอาละ่ะพี่เข้าใจ และหมดข้อข้องใจที่เก็บเป็นปริศนาอยู่หลายชาติหลายภพแล้วจำมงกุฎไพรช่อนี้ได้ไหมวาระหนึ่งในครั้งกระโน้นภายในถ้ำคูหาหินกลางไพรพฤกพี่ได้เก็บดอกพฤกษาชาติชนิดนี้มาร้อยเป็นมงกุฎและประดับให้บนเศียรของเจ้าและบัตรนี้ในชาตินี้ พี่ก็ได้สวมให้แก่เจ้าอีกวาระหนึ่งเพคะหม่อมฉันยังจำสิ่งอันประทับลึกอยู่ในจิตวิญญาณครั้งนั้นได้ดีที่สุดเพคะไม่มีวันลืมเลือนเลยสองร้อยห้าทั้งคู่ตื่นจากพวังขึ้นมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันอีกวาระหนึ่งเมื่อแวดล้อมรอบกายใกล้ชิดอยู่ในขณะนี้ เป็นเสียงแหกปากโคร้องและกระโดดโล่เต้นของพรานคู่ใจทั้งสี่คนของเขาเจ้าลิงสีตัวนันโผล่เข้ามาณนะที่นีได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไรคนทั้งคู่ไม่ทราบเลยเสียงที่ดังแหลมแสบแก้วหูที่สุดเป็นเสียงของบุญคำชิโยนายรพินกับนายหญิงดารินแต่งงานกันแล้วโว้ยไอคําดีใจเหลือเกิน อออไปนี้นายรพินคงไม่ต้องร้อนเร่พเนจรไปอยู่ตามป่าดงไ้ทุเรศอีกแล้วฮาฮดีใจวยลูกศิษย์ทั้งสี่คนของเขาลิงโลดเหมือนเต้นโขนอยู่รอบๆกายและเป็นกลุ่มที่ดูเหมือนจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากพระเจ้ากรุงมรกรนครให้ล่วงล้ำเข้ามาใกล้ชิดคนทั้งคู่ได้และการก็ได้เป็นที่ปรากฏชัดภายหลังว่าทั้งบุญคาจันเกิด และเสยถูกองค์การลับสั่งนางกำนันให้ลอบเข้าไปปลุกกลางดึกนั่นเองโดยมีขุนพลผู้เท่าออรชุนรอคอยอยู่และให้เร่งเดินทางด่วนอย่างเงียบกริบมายังปราสาทท้ายอุทยานอันเป็นที่พำนักของฝ่ายเจ้านายเก่านี้เพื่อให้ได้มาพบเห็นและร่วมเหตุการณ์ด้วยโดยฝ่ายนายจ้างเมริกันและลูกหาบอื่นๆทุกคนพากันหลับสนิททั้งหมด ไม่มีใครระแคะระคายการแอ บ, บลุกขึ้นและบ่ายหน้ามาที่นี่ของเจ้าสี่คนที่ถูกแอบปลุกขึ้นมาเหล่านี้เลยทั้งสี่คนโผล่เข้ามาภายในห้องโถงนี้พร้อมผู้เท่าอรชุนในขณะที่ระพินกําลังวางมงกุฎไพร ล, ลงไปประดับอยู่เหนือศีรษะของดารินอย่างพอดีเป็นการมาถึงอย่างทันเวลาที่สุดและดูเหมือนจะได้รับคาบอกเล่า ให้เข้าใจล่วงหน้ามาจากอรชุนก่อนแล้วครั้นเมื่อมาถึงก็ลืมตัวด้วยความดีใจพากันพรูเข้ามาห้อมล้อมเจ้านายทั้งคู่ไว้ส่งเสียงเอะเอะเยี่ยวเจ้าลั่นไปหมดเดินไม่มีใครขัดขวางสกัดกั้นไว้เพราะทุกคนนะที่นั้นต่างก็รู้ใจเพื่อนคู่ชีพร่วมตายทั้งสี่คนของรพินดีอยู่แล้วรพินเอง ยังยืนงงมึนมึนอยู่ในสภาพอันวุ่นวายของบรรดาลูกศิษย์จอมทรโมนของเขาส่วนดารินนะหัวราอเสียงใสตบศรีรษะเกิดเซยอย่างรักใคร่เอ็นดูส่วนจันและบุญคำซึ่งถือว่าอาวุโสมากแล้วหลังจัดไหล่คนทั้งคู่เขยา่านี่ฟังให้ดีนะทั้งสี่คนนี่แหละต่อไปนี้นะ่ะหนองน้ำแห้งไม่ได้มีนายรพินคนเดียวแลวแต่จะมีนายหญิงดาริน อยู่ร่วมกับทุกคนที่นั่นด้วยอีกคนนึงเชโยโยโย่ ou, yo, yo ยะพวกนั้นโหกันเกลียวต้อนรับกระโดดโลดเต้นไปพลางท่ามกลางรอยยิ้มของทุกคนที่จับมองอยู่แม้แต่องค์จักรราชและราชินีเมยานีนันอินปลอยให้เจ้าสี่คนกระโดดโลดเต้นรอบๆตัวรพินและดาริน อย่างไม่รู้จักกาละเทศะอยู่อึดใจใหญ่ๆจากนั้นจึงเข้ามาไล่ต้อนให้ถอยห่างออกไปรวมกับพรรคพวกของตนซึ่งทั้งสีก็เริ่มรู้สึกตัวทำหน้าแย่ๆเมื่อเหลือบมาเห็นแง่ทรายและราชินีเมยานียืนอยู่เคียงคู่กันบุญคำขยับปากจะร้องทักแง่ทรายแต่แล้วก็รีบตะครุบ ป, ปากตัวเองเสียพราะนันอินตบชดัดเปนเชิงเตือนมาที่ต้นคอ ทำให้เฉลียวคิดขึ้นมาได้รีบเดินตัวรีบเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกลูกหาบทั้งหลายโดยดีบุคคลสุดท้ายที่เข้ามักกล่าวเพียงสั้นๆเพื่อแสดงความยินดีคือขุนพลเท่าอรชุดขอให้พรานรพินและนายหญิงดารินจงครองสุขในชีวิตวิวาอย่างราบรื่นสันติสุข ใบราบชีวิตจะสิน้นขอขอบคุณต่อท่านผู้เฒ่าอารชุนเป็นอย่างสูงเราทั้งสองขอรับพร น, นี้ไว้ด้วยความปรีดีดารินตอบแทนให้แกรพินผู้ตลอดเวลาได้แต่ยืนนิ่งเหมือนคนที่ทำอะไรไม่ถูกแล้วทั้งคู่ก็จับมือกันเดินตรงเข้าไปยังสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎนครและราชินีเมยานี ที่ประทับยืนยิ้มพรายอยู่เคียงคู่กันเมื่อมาหยุดอยู่เบื้องเฉพาะพระพักจักรราซึ่งยังอยู่ในคราบของแง่ทรายก็ชิงกล่าวขึ้นก่อนด้วยเสียงแผ่วเบาปานกระซิบได้ยินเฉพาะระพินและดารินว่าโดยอิสริยยศเดิมของกษัพรบอักคณิรุธและมกุกราชกุมารีจิตรางขนางใต้ฝ่าพระบาททั้งสองพระองค์ ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงความเคารพใดๆต่อจั ก, กรราและเมยานีผู้เปรียบเสมือนอนุชาและคณิถาเลยพระเจ้าค่ะจะยังไงก็ตามรบพินก้มศีรษะลงถวายคำนับขณะที่ดารินย่อกายถอนสายบัวข้าพระองค์ทั้งสองขอพระไทยในทั้งสองพระองค์อย่างสุดที่จะกล่าวได้ ขอพระไทยในทุกสิ่งทุกอย่างจักรราชขยิบพระเนตรให้รับพินนิดนึงส่วนราชินีเมญานีสวนเบาใสรับสั่งกดารินว่ามงกุฎไพรวงนั้นสวยสงาน่ารักยิ่งกว่ามงกุฎประดับเพชรของมหาราชินีองค์ใดใในโลกนี้ทั้งสิ้นไปคะพี่หญิงหม่อมฉันต้องการมงกุฎไพร ที่สวมโดยมือของระพินพรานป่าคนนี้แล้ะเพคะไม่ต้องการมงกุฎเพชรอยากเท้าพญามหากริยัองค์ใดทั้งสิ้นดาริงตอบเมียนีและทุกคนในมรกฎนครก็คิดเช่นนั้นนะคะพี่หญิงนางพญาแห่งมรกฎนครสนองตอบผู้กองและนายหญิงคงจะไม่ว่าอะไรนะถ้าหากพิธีในคืนนี้ ไม่ได้มีอคันตุ ก, กะอีกชุดหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยเพราะพิจารณาเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นยังไม่สมควรที่จะได้มารู้มาเห็นอะไรในคืนนี้เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยประกาศให้พวกเขารู้ก็ได้เราอาจมีพิธีเฉลิมฉลองเป็นทางการกันอีกครั้งหนึง่งจักรราชรับสั่งขึ้นกับระพินพระองค์ทรงกระทาได้ถูกต้องที่สุดแล้วพระเจ้าค่ะที่ไม่ได้ให้เขาพวกนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ภายในคืนนี้แต่ขอติงซักนิดเถอะพระองค์ทรงดำเนินการทุกอย่างโดยเล่เหลี่ยมลึกลับตามเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยรบพินทูลขึ้นเบาๆแต่้าวหน้าอิ่มเออไปด้วยความปิติสุขผิดไปจากสภาพที่เคยทุกครั้งจักรราศูนเบาๆก้มเสียนลงนิดหนึ่ง <c oughs> เล่เหลี่ยมที่ทำให้เกิดเป็นความดีงาม เลี่ยมที่กอบขึ้นด้วยจิตบริสุทธิ์ประสงดีย่อมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใดไม่ใช่เหรอครับผู้กองผู้ไม่น่ารักเอ้ยโทษทีเดี๋ยวนี้ต้องเรียกผู้กองที่น่ารักไปเชแล้วมั้งขอถอนคำพูดเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับจอมพรานจำนงจำนนต่อถ้อยดำรัดอันฉลาดลำนั้น ขอพระราชทานอะไรสักอย่างหนึง่งได้หรือไม่พระเจ้าค่ะได้สิเว้นแต่ดาวกระเดือนที่สุดจะเอื้อมาให้ได้เท่านั้นแหละผู้กองที่รักขอให้พิธีวิวาระหว่างข้าพระองค์กับคุณหญิงดารินณมรกรนครแห่งนี้สิ้นสุดลงเพียงแค่คืนนี้อย่าได้จัดพิธีอื่นใดให้เป็นที่อึกระเริกอีกต่อไปเลย เพราะเพียงแค่นี้ก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าแก่ข้าพระองค์ทั้งสองแล้วอ่ะเช่นนั้นเหรอถ้างั้นก็ไปปรึกษาหารือกันเองระหว่างเจ้าภาพของฝ่ายเจ้าสาวเถอะเห็นสมควรยังไงระจับการให้ได้ตามประสงค์ทั้งสิน้นจะให้สิ้นสุดยุติรู้กันเองเพียงแค่นี้ก็แล้วแต่หรือจะให้จับเป็นงานสยุมพรยิ่งใหญ่ขนาดไหน ทางเราก็พร้อมแล้วก็ยินดีแต่ถ้าจะว่าอันที่จริงเพียงแค่คืนนี้ก็ครบสิ้นตามประเพณีสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในเมื่อผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงท่านยอมอนุญาตและรับทราบ พ, พร้อมทั้งอวยชัยให้พรแล้วเมื่อได้เวลาอันสมควรราชินีเมยานีผู้เท่าอรชุนและเหล่าขบวนเสาสันกำนันในที่อันเชิญมงกุฎดอกไม้ป่าเข้ามา ก็พากันขอตัวปรีกลับออกไปทั้งหมดทั้งขบวนอย่างมีเจตานาที่จะให้พระเจ้ากรุงมรกนครประทับ ร, ร่วมอยู่กับคณะของเชษฐาตามลำพังโดยเหลือทิ้งไว้เฉพาะส่างปาตามเดิมส่วนพรานคู่ใจของระพินทั้งสี่คนอันประกอบด้วยบุญคำจันเกิดและเสยก็เลยถือโอกาสอยู่ภายในห้องโถงแห่งนั้นด้วย ไม่มีใครคิดที่จะกลับไปยังที่พักของตนก่อนและก็ไม่ถูกใครไล่ต้อนให้กลับไปด้วยครั้นชุดที่เชิญมงกุฎไพรลับหายออกไปหมดสิ้นแล้วรวมทั้งอรชุนภายในห้องถงใหญ่แห่งนั้นของปราสาทท้ายอุทยานอันเป็นที่พักของคณะเชธธาิาก็เหลืออยู่แต่บุคคลคณะเดิมตามลำพังจะมีเพิ่มขึ้นมาก็เพียงบุญคาจันเกิดและเสย เท่านั้นจักรราพินพระพั ก, กลับมายังทุกคนอีกครั้งเอาละครับเหตุการณ์ที่ดีที่สุดที่ผมปรารถนาไว้ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ขออนุญาตกลับมาเป็นแงสรายตามเดิมอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้สนทนาและเล่าความจริงทั้งหมดที่นายใหญ่ได้สอบซักถามเอาไว้แต่ผมยังไม่ได้ตอบให้กระจ่างชัดออกไปเพื่อให้ทุกคนได้ทราบแต่เดี๋ยวนี้ ขอเวลาให้แง่ทรายเข้าไปทักทายกับเพื่อนเก่าสี่คนสักครู่เถอะนะครับกล่าวดังนั้นแล้วแง่ทรายก็เดินตรงเข้าไปยังกลุ่มของบุญคำซึ่งพากันยืนจ้องมองดูด้วยความประหลาดใจในชุดเครื่องแต่งกายของกษัตริย์จั ก, จ ก, กรราชในขณะนี้พร้อมกับร้องทักในสำเนียงซุ่มเสียงอากับกิริยาของแง่ทรายว่าไงลุงคำนาะยจันแลวก็เจ้าเกิดเจ้าเสย ตอนนี้ข้าคือเงาทายของพวกเจ้าทั้งหลายแล้วใครนึกอยากจะเคกะบานหรือเตะก้นข้าก็เชิญทั้งสี่คนยิ้มแย่ๆจ้องสำรวจไปตลอดทั้งร่างนั้นแล้วพากันนิ่งเงียบกริบอยู่เฮ้ยใครจะกล้าเคกะบานหรือเตะก้นเองเหมือนตะก่อนนี้วะหัวจะได้ขาดไปไรบุญคำพูดอู้อีอยู่ในลําคอแทบฟังไม่รู้เรื่องส่วนจันทร์ เกิดและเสยไม่กล้าขยับปากพูดอะไรทั้งสิน้นได้แต่จ้องดูอย่างชื่นชมแล้วก็ยิ้มด้วยสีหน้าพิกลอยู่บุญคำนานหันไปเคหัวสางปาผู้นั่งอยู่ใกล้ๆกล้แก้เก้อแทนเฮ้ยสางปาเองยังอุตสาเก็บชุดขี่ลิงของเองนี่เอาไวอ้อยู่เละข่าวว่าเองแต่งตัวเหมือนเดิมยังงี้สวยกว่าชุดขุนน้ำขุนนางของเองสักอีกนะ สางปาไม่ตอบว่าอะไรนอกจากคลําหัวปอยแล้วทาปากหมุบหมิดเหมือนจะด่าแง่าสายหัวเราะเอา้าแล้วฉันนะ่ะลุงมีอะไรผิดไปจากแง่าสายคนเดิมของลุงหรือเปล่าเฮ้ยยังมาทํากระล่อนกระฆ่าเหมือนเดิมอีกเลยแง่าสายข้าในอยากเห็นเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่จะเห็นเองเป็นไอ้กระเหลียงดอยเจ้าเล่เดินทางมาครานี้นะ่ะรู้เปล่า ขาดเองไปนคนหนึ่งนายระพินเกือบตายไปหลายครั้งเพราะไม่มีคู่คิดคู่กวนทัวโสอ่ะืมแต่พรานใหญ่ก็มีตาเท่าจอมสับ ป, ประดกอย่างลุงมาด้วยพรานใหญ่ก็คงไม่ถึงกับเข้าตาจนนักหรอกจริงไหมนะจันเกิดแล้วก็เสยแงซายสวนมาเร็ ว, รวจริงพะยะค่ะทั้งสามคนพองคอตอบขึ้นมาพร้อมกันราวกันนัดกันไว แง่สายหัวรอกักตาคำแยกเขี้ยวหันไปถลึงตาชี้หน้าเจ้าสามคนขยับจะด่าอะไรออกมาแต่แล้วก็ต้องหุบปากไว้เสวนาปราสัยหัวรอยยาวหยอกกันเป็นที่คลื่นเครงกะเหล่าพรานพื้นเมืองของระพินอันเป็นสหายร่วมตายเก่าอย่างไม่ถือตัวอยู่ครู่หนึ่งแล้วแง่สายก็เดินกลับมายังคณะของเจ้านายเก่าสุดลมหายใจลึก หย่อนกายลงนั่งขัดตามาตามเดิมแล้วก็ทำหน้าแปลกใจมีอาการล่อเลียนนิดๆเมื่อเห็นระพินนั่งอยู่ทางหนึ่งและดารินก็ไปนั่งอยู่อีกทางหนึ่งในกลุ่มพี่ๆเหมือนเดิมเพียงแต่มงกุฎไพรยังประดับอยู่บนศีรษะของหลอนเหมือนเดิมทาให้แลดูเก๋และสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากตอนนี้หวังว่าทุกท่านคงอารมณ์ดีกันทั้งหมดแล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กองของผมแง่สายเริ่มขึ้นหน้าตาเฉยอืมใช่ตลอดชีวิตของฉันที่กำเนิดเกิดกายขึ้นมาไม่เคยมีครั้งไหนที่ฉันจะมีความสุขและมีอารมณ์ดีที่สุดเหมือนคืนนี้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้เลยพรานใหญ่บอกมาด้วยสีหน้าที่ผ่องใสแน่ใจแล้วครับอืมแน่ใจที่สุด อ้าวถ้างั้นผมกลับก่อนนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยพบกันเฮ้ยแต่แกลุกขึ้นก่อนที่จะเล่าอะไรเราฟังแล้วก็แกถูกเตะอ้าวกันไหนว่าอารมณ์ดีแล้วยังไงก็แกยังไม่หย่จนพื้นเสียสิเล่าไปแง่ทรา ย, ายเรื่องราวกันไปยังไงไมายังไงไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดยักษ์น่ะมันถึงได้มาหล่นอยู่ที่นี่แล้วแกก็ดําเนินการยังไงมั่ง นับตั้งแต่เครื่องมันมาตกรบพินพูดปนยิน้มซึ่งน้อยครั้งนักที่ใครจะเห็นเขาพูดในลักษณะเช่นนี้โดยลักษณะท่าทีอากัศกิริยาและสันนวนถ้อยคำของเจ้าอาดีตคนใช้ของคณะเดินทางคนเดิมแงน่สายได้เริ่มต้นขึ้นทมกลางการเปิดโสดพร้อมเตรียมสดับกลับฟังอย่างชนิดไม่ยอมให้ข้อความใด ตกหล่นของฝ่ายนายจ้างกัดว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเจ้านายทุกท่านเช้าวันหนึ่งของเวลาประมาณสี่เดือนเศษที่ผ่านมาเนี่ยผมแล้วก็เมยานีกับทหารใกล้ชิดที่ติดตามไปด้วยประมาณสามหมดได้ออกไปนมัสการพระแม่เจ้ามาเทวียังมหาวิหารแห่งนั้นตามรอบวาระอันเคยปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติศาสนกิจเสร็จสิ้นก็ได้ออกมาจากเทวาลาเตรียมพร้อมที่จะกลับเข้าเขตเมืองขณะนั้นนะเป็นเวลาใกล้เที่ยงวันดวงตะวันลอยอยู่เกือบตรงศีรษะแผ่รัศมีเป็นวงกลมทรงกลดและแสงแห่งทิวาการอันกระจ่างแจ้งอยู่ตามปกติอันควรเป็นไปนั้นก็สลัวมัวหม่นลงอย่างประหลาดอากาศรอบด้านเป็นสีเทาเงิน คลุมเครือดูวิปริตไปกว่าทุกครั้งพร้อมกับแผ่นดินโดยรอบของสถานอันเป็นที่ตั้งของมหาเทวาลายัยก็มีอาการสั่นสะเทือนเบาๆเหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวนะเราพากันยืนมาพิจารณาดูภาวะอันวิปริตผิดอาเพศนั้นด้วยอาการใคร้ครวรหนักต่อมาชั่วไม่นานเราก็ได้เห็นเงาสีเทาปนดำของยานอากาศขนาดใหญ่ โชบผ่านสันเขาด้านตะวันตกมาในระยะที่ต่ำตี้มากไม่มีเสียงของเครื่องยนต์ปรากฏให้ได้ยินเหมือนกับว่าเครื่องจักรกลทุกชนิดของมันถูกอำนาจบางอย่างดับสนิทลงหมดสิ้นนะเมยานีท่านผู้เฒ่าออรชุนและทหารทุกคนพากันอุทานขึ้นแล้วชี้ให้ผมดูในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดนั้น เมื่อเหลือบแลขึ้นไปพบครั้งแรกผมก็รู้ในทันทีว่ามันคือเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ของมนุษย์โลกภายนอกที่ถูกอำนาจของเทพเจ้าหรือหลักการซ้อนเหลื่อมของการเวลาหรือจะโดยอาถรรพ์น ใ, นใดๆก็ตามนำมันให้หลงพลัดเข้ามาในดินแดนมรกตนครของเราระหว่างที่พวกเรากำลังตะลึงแงนมองอยู่นะ่มันได้รอดอย่างเงียบกริบ ได้ยินก็แต่เสียงลำตัวและปีกขนาดใหญ่ที่ตัดแหวกอากาศไปอย่างช้าๆเหมือนพายุผ่านศีรษะของพวกเราทุกคนไปมีส่วนหัวเครื่องบินที่เบนจิกลงตำ่ำในมุมประมาณ35สห้าองศาเหมือนจะลงรันเวย์เพื่อลงฉุกเฉินแต่ผมรู้ว่านั่นเป็นการเสียการทรงตัวมากกว่าที่นักบินเจตนาจะเอาเครื่องลง มันได้เฉียดผ่านยอดเทวัลไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเกือบชนและเมื่อเลยผ่านก็เอาหัวและท้องเครื่องส่วนหน้ากระแทกลงกระลานกว้างหลังเทวัลปรากฏเสียงสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนไปหมดเครื่องหักออกเป็นสองท่อนทันทีตีกหักออกไปข้างหนึ่งแต่ไม่ปรากฏเสียงระเบิดไม่ปรากฏเปลวไฟที่ควรจะลุกไหม้ตามมา มีก็แต่กลุ่มควันที่ลอยขมงขึ้นมาเท่านั้นพวกเราเห็นชัดกันตั้งแต่มันร่อนผ่านสันเขาด้านตะวันตกมาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่มันกระแทกลงกับพื้นโดยฐานล้อไม่ได้กลางออกแล้วก็หักเป็นสองท่อนคาตาทุกคนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นระยะมันห่างจากที่พวกเรายืนมาอยู่ออกไปประมาณสักเกือบสองกิโลเมตรขณะที่แงาสายพูดชา้า ชัดเจนมาตามลำดับนั้นทุกคนเบิกตาจ well i̇şte right นะ้องหน้าเขาขมิงและฟังอยู่อย่างแทบจะไม่หายใจก็แปลว่านายเห็นชัดกับตาเลยเห็นกันหลัดหลัดขณะที่เครื่องมาตกอยู่ตรงหน้าอย่างงั้นเหรอพินถามมาเร็วปรืออันนีชาวดงพระเนจรคนใช้เก่าแก่ของคณะก้มศีรษะ เห็นกระตาทั้งสองข้างของผมนี่แหละแล้วอีกหลายหลายข้างของผู้ที่ติดตามผมไปด้วยในเช้าวันนั้นไม่มีอาการระเบิดซ้ำไม่มีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นเลยยังงั้นเหรอเชยันซักต่อไม่คนหนึ่งอย่างพิศวงครับไม่มีครับความจริงมันก็ควรจะระเบิดหรือไม่ฉะนั้นก็ไฟลุกท่วมซึ่งถ้าเป็นยางงั้น ลูกไฟก็คงจะกระจายมาถึงมหาเทวะเลยแน่นอนเพว่าปรากฏการณ์ที่พวกเราเห็นมันหล่นลงมาเฉยๆเหมือนวัตถุธรรมดามีแต่แรงกระทบกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงจนทําให้ตัวเครื่องนะหักเป็นสองท่อนเท่านั้นผมไม่ทราบว่าเครื่องยนต์มันไม่ทํางานมาจากตําแหน่งไหนหรือว่ามันบ่ายหน้ามาจากทิศทางใดก่อนแล้วก็ที่น่าประหลาดที่ทั้งเครื่องยนต์ไอพ่นทั้ง8ปดเครื่อง ไม่ได้ทํางานเลยในขณะนั้นเหตุใดมันถึงร่อนมาได้เหมือนเครื่องร่อนแบบนั้นมือนเหมือนกับว่าเป็นเทวบัญชาของพระมหาเทให้มันหมดสมรถพในทุกทางของมันและกําหนดให้มันมาตกอับปางอยู่ยังลานกว้างหลังสถานเทวไลแห่งนั้นผมจะหนักดีว่าโดยปกติแล้วมันบินอยู่ในห้วงอวากาศของโลกภูมิศาสตร์ภายนอกเพื่อจะบ่ายหน้าไปที่ใดที่หนึง่ง แต่แล้วโดยอำนาจเหนือกว่าปวงมนุษย์โลกภายนอกจะศึกษาค้นพบได้ชักนำหรือบีบบังคับให้มันต้องพลัดหลงเข้ามายัางดินแดนแห่งนี้และจะต้องอยู่ในสภาพสูญหายออกไปจากโลกของภูมิศาสตร์ชั่วนิรันดร์การตามปกติแล้วจะไม่มีมนุษย์โลกคนไหนได้พบเห็นมันอีกแล้วแต่ก็ยังมีมนุษย์ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ อุตส่าห์ติดตามมาจนกระทั่งสามารถพบเห็นมันเข้าจนได้ประโยคหลังแงสายหัวเราะเบาๆและมองไปทางระพินซึ่งขณะนี้กำลังสะดับตรับฟังเรื่องราวอยู่อย่างใจจดใจจ่อเอา้าเล่าต่อไปสิแง่สายภายหลังจากที่เครื่องตกลงมาต่อหน้าต่อตามองเห็นชัดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำยังไงกับมันต่อไป ระพินเตือนให้แงสายพูดต่อครับกลุ่มควันและผงทุลีที่กระจายฟุ้งขึ้นมานะมีไม่มากนักหรอกผมสั่งให้ทุกคนที่มาด้วยขณะนั้นยืนมาอยู่ที่เก่ามีผมเพียงคนเดียวที่ควบมาตรงเข้าไปที่เครื่องตกลำนั้นผมไม่มีความรู้ในเรื่องเครื่องบินมากนักสั ญ, ญลักษณ์ที่เห็นหลายๆอย่างทําให้รู้เพียงว่า มันเป็นเครื่องแบบทิ้งระเบิดขนาดยักษ์ของอเมริกันแล้วก็แน่ใจด้วยว่าในเครื่องจะต้องมีอาวุธร้ายแรงประเภทหัวรบนิวเคลียร์ของจรวดหรือตัวระเบิดติดมาพร้อมด้วยอย่างแน่นอนแต่ผมไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับภัยจากอาวุธเคมีเหล่านั้นเพราะตรหนักดีอยู่แล้วว่าภายในดินแดนมรกรครแห่งนี้มันจะไม่สามารถมีฤิเดอะไรขึ้นมาได้ทั้งสิ้น ออหนิเท่าที่ฉันพอจะรู้จักอเมริกันพวกนั้นอย่างน้อยก็มีระเบิดนิวเคลียสิทธิ์เมกตาร์ 10, ทีเดียวนะที่บรรทุกอยู่อะรับพินร้องออกมาเบาๆแง่าสายยิ้มผู้กองครับผมคิดว่าอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะครับเพียงแต่พวกเขาไม่ได้บอกความจริงแต่ผู้กองทั้งหมดไอ้เฉพาะระเบิดนิวเคลียสก็เข้าไปตั้งสี่ลูกแล้วแล้วยังจะตรวจหัวรบนิวเคลียสละ่ะ แต่โปรดอย่าได้เป็นห่วงนะครับในดินแดนแห่งนี้มันจะเป็นได้ก็แต่เพียงวัตถุธรรมดาแบบก้อนหินก้อนดินเท่านั้นแหละผมรู้ครับว่าทุกท่านในขณะนี้นะ่ะเป็นห่วงอยู่แต่ในเรื่องอาการแตกเปลือกหรือการระเหยรั่วของกรรมันตภาพรังสีแต่ขอให้ทุกท่านได้โปรดมั่นใจนะครับเมื่อมันหลุดเข้ามาอย่างดินแดนนี้ก็แปลว่ามันหมดฤทธิ์ลงแล้วด้วยประการทั้งปวงอย่าได้กังวลใจใดๆอีกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าไปเงยสายเรากำลังอยากทราบเรื่องโดยละเอียดที่สุดเชิฐาและอนุชาร้องเตือนมาพร้อมกันครับเมื่อข้าไปถึงซากที่ตกลงมาสงบนิ่งอยู่สิ่งแรกที่ผมทำก็คือพยายามปีนเข้าไปในซากเครื่องบินระเบิดยักษ์เพื่อค้นหาว่ายังจะมีใครรอดชีวิตอยู่หรือไม่ผมต้องการช่วยพวกเขาเท่าที่จะช่วยได้แต่ก็น่าเสียใจเหลือเกินครับ นักบินสองคนแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่ร่วมอยู่ในขณะนั้นรวมแล้วยี่สิบสี่คนสีชีวิตทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวพวกเขาถึงแก่ชีวิตด้วยแรงกระแทกขณะที่เครื่องหล่นลงมากระทบพื้นไม่มีแม้แต่คนบาดเจ็บเพื่อรอรับการช่วยเหลือมีก็แต่คนที่ตายแล้วตายทันทีจากเครื่องตกหรือจะตายมาก่อนจาก สาเหตุอะไรยังไงก็สุดที่จะเดาได้ผมไม่อาจยังทราบได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นรวมทั้งเครื่องที่ติดอาวุธเต็มอัตราศึกมาจากไหนแล้วก็กำลังจะไปไหนมีปฏิบัติการพิเศษยังไงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงออกไปด้วยรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าการซ้อนเหลื่อมของการเวลาแห่งจักรวาลทาให้เครื่องลํานีพลัดหลงเข้ามา ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันได้สูญหายไปจากโลกภูมิศาสตร์แล้วครับเออแล้วนายทำยังไงต่อไปล่ะแงสายชายันซึ่งนั่งฟังตาไม่กระพริบมาตลอดเออถามมาเป็นประโยคแรกครับเพราะเหตุที่มันเป็นเครื่องของสรัฐผมรู้ในทันทีนั่นเองว่าไม่ช้าก็เร็วผู้กองระพินจะต้องมีหน้าที่นำทางออกติดตามแน่นอน พระพวกเขาจะค้นหากันเองไม่พบและความผูกพันระหว่างรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลไทยที่มีกันอยู่ก่อนแล้วอย่างลึกซึ้งจะยังไงใช่ผู้กองก็จะต้องหลีกเลี่ยงหน้าที่นี้ไม่พน้นนี่คือสิ่งที่สัมผัสเข้ามาในชานของผมผมขี่ม้า ก, กลับมายังเมียนีและอรชุนกับพวกทหารที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วออกคําสั่งให้ทหารไปทําหน้าที่เป่าประกาศ ไม่ให้ชาวมรกรนครคนใดล่วงล้ำเข้าไปใกล้หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกระซากนกเหล็กเครื่องนั้นมันตกพังสลายอยู่ในสภาพยังไงก็ทิ้งไงมันคงอยู่ในสภาพนั้นมาโดยตลอดคนมีก็แต่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปสำรวจดูในครั้งแรกอย่างที่ได้บอกไว้แล้วหลังจากกลับเข้ามาถึงราชฐานแล้วผมก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต้องกระทาอะไร สักอย่างหนึ่ง